เดี๋ยพระสงฆ์อาพาธมีอยู่38เตียงแต่ท้าว่าช่วงมากก็มีอยู่บ้างแต่โดยมากก็ไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่หรอกประมาณชักยี่ิบกว่ากว่ ส, สิบเนี่ยแนหะแต่ไม่เคยขาดจะปีหนึ่งจะมีการทอดผ้าป่าครั้งหนึ่งอันค่าวเนี่ยไจะทอดบนันที่สิเจมิถุนาที่จะถึงนี่นะแหละกรนดิมลพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในภาคอีสานนี่หรือภาคไหนก็ น, นิมนต์มามาแล้วก็จะไปตรวจสุขภาพก่อนระดับแรก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 ทุกๆองค์แในระพูรับทราเนื่อที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่จากนั้นก็เรื่องที่พวกเราหาทุนในวันนี้ที่ถอดผ้าปา่าแต่ละปีปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแต่ปีหนึ่งก็ทราบจากคณะแพทย์คณะหมอต่ก่อนก็ใช้เพียงปีละ2 3งสามแสนต่อมาก็เห็นพระสงค์ขึ้นมามากก็5 6าหกแสนแต่เมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้ประมาณล้านล้านหกหรือล้าน7จ็ดแสน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 ที่หลวงพ่อเป็นพระแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่ในหน้างานไม่ได้อยู่ในตรงนั้นแต่หลวงพ่อให้ตามความเห็นของหลวงพ่อนะอย่าเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้นะเพียงแต่หลวงพ่อให้แนวความคิดสมมติว่าพระอย่างน้อยหนุ่มล้างไตหลวงพ่อว่าเออข้าน่าจะล้างให้ท่านเพื่อท่านจะได้หายแต่ถ้าว่าเจ็ดแปดสิบขึ้นไปแล้วท่านมีลูกศิษย์ลูกหา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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นโรงพยาบาลใหญ่ไม่เหมือนหลงตาหลวงตาโรงพยาบาลอำเภอท่านก็ซื้อให้แต่หลวงพ่อไปเห็นนละ้วโรงพยาบาลอำเภอซื้อให้แล้วมีแต่เอาผ้าคุมเอาไว้ไม่ได้ใช้เพราะหมอไม่มีศักยภาพหมอไม่กล้าผ่าตัดได้มาแล้วก็หวงไว้ทิ้งไว้อย่างงั้นแ่ะเอาผ้าประจิตคุมไว้อย่างนั้นแหะเครื่องมือแพทย์เพราะนั้นหลวงพ่อจึง ซื้อเครื่องมือแพทย์โดยมากจะซื้อให้โรงพยาบาลใหญ่อย่างโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์อย่างนี้เครื่องผ่าตัดอันนี้กนะ็คือหลวงพ่อได้ช่วยทางโรงพยาบาลถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังโลกลาดก็คงจะเออจะตุปจัจหลวงพ่อเนี่ยได้มาจะใช้ไปยังไงมีเยอะแยะที่ทางจะใช้นะออวันนี้เป็นวันที่สาม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 ในครั้งพุทธกาลพระพุทเธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดป่าเชตะวันท่านปารบถึงภาษาริบุตรเถระที่ให้ความเกื้อกูลหนุนพระราหุลให้ความช่วยเหลือพระราหุลคือพระพุทเธเจ้าท่านเสด็จออกไปบวชพอไปบวชแล้วก็ได้สําเร็จได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างที่ว่า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 ต้องการพบพระมานดาอทั้งพิกษุนีทั้งหลายเขาก็เลยมากราบเรียนท่านพระหุนว่าแม่กำลังป่วยอยู่เอลมเสียดในท้องแต่นี้พระราหุนก็เดินเข้าไปหายโยมแม่หา พ, พระแม่เจ้าพอเข้าไปพระแม่ก็บอกเออลูกแม่ปวดท้องอย่างแรง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 ท่านก็ยังให้ลำลึกถึงพระคุณที่เป็นผู้มีอุปกราระคุณสำหรับองค์ท่านอย่างพระราหุลนะ่ท่านไม่ได้ปล่อยปลาละเลยท่านให้ความสำคัญพมารดาของท่านอย่างสุดซึง้งถ้าพวกเราได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาแล้วเอออันนี้ล่ะคือบัณฑิตนักปราชญ์ท่านไม่ได้ทอดทิ้งบิดามารดาของท่าน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 เป็นการให้อย่างสุดซึง้งให้อย่างลึกซึง้งให้อย่างดีที่สุดคือให้ธรรมะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาก็ขอให้พวกเราเป็นคนดีสรุปแล้วคิดดีทาดีพูดดีพวกเราที่มีแต่ความสุขความเจริญน ะ, ะต่อนนี้ไปรับพรอ น, อนโมทนาให้พร